ทำหายใจโ ล, โลหิตหายใจไม่โฉบชฉีดไปเลี้ยงสมองตายทุกอย่างแล้าจะพูดมาได้ยางไงหรังไมย่ยอมเชื่อพอเราพูดอย่างนี้โอเคหายใจทางระบายลมถูกต้องฝรังยอมรับเดี๋ยวดูเรื่อนี้ออกไปมันจะพิมพ์เนี้ย น, นี่ระบายลมได้ตามรางกาย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 ไม่เสไปพูดโทรฉันไปสวรรค์นิพพานฉลังก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยเนี่ยตรงนี้อย่างเพราะฉะนั้นยืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวจะเดินจงกรมให้ดูทำให้มัเหมือนกันแล้วนั่งของหนอยกหนอนนั่งขัดตามาตเพชรดาเล้ยมใช่เหรอขัดตามาตสองชั้นขัดตามาชั้นเดียวแต่หลวงพ่อดําในป่าขัดตามาตอย่างเดียวขัดตามาตเพชรอย่างอืนท่านไม่ถัดขัดตามาตเพชรเนี่ยมันปวดครั้งแรกครั้งเดียว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 เคยัยงร่วงนั่งเคยังร่วงอย่าหยุด อ, อย่านอนเจ็ดวันห้ามนอนให้น้อยนอนน้อยพูดใน้อ ย, อยทําความเพียรมากเลิกคุยทันทีทําเป็นสังทองสิสังทองมันมีปัญญาไอ้สังทองปากมันพูดไหมเคยเห็นสังไอ้เงาะปากป า, กปากพูดไหมปามันพูดหรือเปลาเงาะจิตมันคิดไหม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 การยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันเป็นการบำเพ็ญศิลอันเนี้ยขอฝากกันด้วยเรารักษาศีนี่นะรับรับศีนี้ใครก็รับได้าปากรับใจใจไม่รัรรบรับแล้วไปฆ่าสัตว์รับแล้วไปลักทรัพย์เขารับรับศีนแล้วก็ไปล่วงบริเวณีรับแล้วก็ไปโกหกโกว่ายเขารับแล้วไปกินเหล้าเมายา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 ต้องมีสติทุกลมหายใจเขาออกรับรองได้แน่นอนแต่แล้วทำติดต่อไปเรื่อยๆไปอยู่บ้านอยู่ไหนวงจรจะครบแล้วคนนั้นจะไม่ไปทางเสียเลือยคนจากจอว่าไม่ปฏิบัติเอาไปทิ้งแต่ทิ้งแล้วหมดทางที่จะดีได้ออกมานี้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมมีความสุาคัญหลายประกาศ ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยชาวเยอรมันเนี่ยอายุรอยสองปีใช่ไหมเป็นแพทย์หญิงเดินวันละแปดกิโลเดี๋ยนี้เลิกเดินเนี่ยมันเนดะินกรรมาฐานวันละสชั่วโมงนั่ง4ชัช่วโมงร้อยสองปีเป็นแพทย์หญิงแล้วก็อาญาไปแจ่าตามโรงเรียนไปชีดย้ายเด็กฟานเฟืองดีอยูเบอร์ลินจังประเทศเยอรมันโทรมาที่นี่ เลยคนยังอยู่พิศโลกอายุรอยสองปีเหมือนกันยังเดินแข็งแรงมาสงครามโลกครสอนโยกินฝรั่งเศสเป็นทหารโลกมายังอยู่เนี่ยพิศโลกมันอยู่อีกคนเดินจงกลมทุกหลักมีประโยชน์มากโดยเฉสาะทิ่ไทยดูการเดินจงกลมและการนั่ง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 สามีเป็นชาวสเปน อ, สสนอยู่ฟรีส์แหละมาอยู่เมือคอนฉวัตรนี่เองขอมาตายเจอลงพ่อไปก่อนบอกวีๆเถอะเราเห็นหนอไม่ตายเห็นนี่นเราราคาหลายร้อยล้าน้งคัญเห็นหนอโอโ้โหไม่ละติกรสวยโอโ้โหอย่างนี้เหรอเห็นอย่างนี้เหรอเนมงนตีเห็นอย่างนี้เหรอ เห็นด้วยปัญญาอย่าไปเห็นด้วยกิเลสเขาถ้าม ah <ic> ีป <te am> ัญญาเห็นิส <mort> <on> ุทธิจิตวิสุทธิปัญญาิสุทธิเกิดเห็นด้วยปัญญาคนนี้ว่าคนนี้บกพร่อง่ะไราไปเยอะเติมเตอเยอะตัดเพื่อประหยัดวิญญาณเขาพิจารต้องเข้าใจไหมคะ จิตนามปัจันาิประทา น, ทานข้อนี้เป็นของบริหารจิตจิตเกิดขึ้นตรงไหนจิตเป็นธรรมชาติบป็นทิ้งอารมณ์รับรู้อรมณัมายาพยาณาเมื่อเชื่อไปเลือเสียงเกิดทางอัญญะาทาันสีเกิดตรงไหนต้องปฏิบัติตรงนั้นทำไมไปทิงอ่ะเสียงหนอะเคือว่าจงเสียงหน อ, หนอจิตเกิดตรงนี้แะ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 โกหกเราเราจะได้สบายใจอย่าไปพะวงส ง, ง่าว่าแม่ราชิกรโกหกเรามันก็กลับไปหาแม่รัชิกรตามเดิมโกหกเราจะไม่เก็บไว้ในใจเราจะไม่ขอเก็บแน่คนนี้ไว้ในใจเราเท่านี้เองก็หมดเรื่องแล่าพาไปเอาเรื่องเข้ามาอย่าหูนี่สำคัญมากเสือกหูขาดปัญญาขย า, ากัวะยากัวะ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 รตัวนี <Coron c Reading> ้แปลว่าปลูกความในความดีไม่จะปลูกความในความชั่วแต่ไม well. ่ม <paralysis> <Yeah. S 1> ีความชั่วร้ายต่อกันทอนี้ทาไม่ได้หรือคะเหนื่อยไหมนั่งฟังมานี่เหนื่อยไหมไม่เมื่อยเลยเหรอเคล็ดไม่ออกไม่ต้องจดนงจำคอมพิวเตอร์ียมาคิดตรงนี้หายใจเราต้องหมู่ถึงจะดื่ แล้วก็บอกคิดหนอือถ้ามือสมาธิอยู่ในห ม, ม่อมบตเตรี่เด้วมันจะออกออกมาจดร้องอาการชงสุดเมาวานก็มาคิดไม่ออกเมื่อสมัยไงดังหารที่ป่าัญชาเป็นนายกรออ้อยอาการชงสุดจะต้องคิดให้รัฐบาลอาการชงสุดก็คิดไม่ออกเลยตัดสินใจมานั่งกรรมฐานเจดวัน7จคืนไม่พูชาเลย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 สามีเป็นผู้มวยการคาทุลิกที่รักโดวสิ่งการซึ่งคาทุนได้จำนาพอได้จำนาแล้วกาหนดไปกําหมดไปเทวดามาลองลําอุนอาน่นอนวยพอรและก็จูรี่เขาเป็นสลังเรามีกันเขาจะรู้หรือเทวดาจริงๆเสียงผ้าเพลดูเลยสายชดาด้วยมีอินทมือใ่นุ่งผ้าพะม่วง แล้วก็มือส่วงวานรำยังไงทำท่าดูเพราะทำเสร็จแล้วก็เทวดามาอวยพรเขาจดไว้แล้เวเขากลับไปเนี่ยเาก็ทำเขาเป็นเสมอเพราะฉะนั้นเพลงอวยพรจะมีมาจนแบบนี้จำาเพลงอวยพรวันเกิดมักงอะไรเนียใช้เพลงคำนวนนางหน้า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 ยา่าหนอซาอยา่าหนอไม่รู้ออกมาจากไหนกันกวา่ย า, ายา่าหนอซาอย่างหนอล้มหนอตายหนอก็เดินอย่างเงี้ยเดินธรรมดาอย่างเงี้ยเดินไม่ได้ง่ายนะแต่ให้มันชาตรงโทษนั่นเองนะ เดินมิสตินั่งมีสตินอนมีสติทั้งทำให้มันคุ้นเคยเสือพพื่าได้ชาเพื่อวัยลุงยังชาผู้่วัยเดินุกรดยไม่ชาคืออะไรวัยจะจะวิ่งสติมันจะบอกทิอ้อเยาะเพื่อวัยรวดเร็วทางใจถูกต้องเป็นถรรพูดให้มันเข้านี่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 มันจะเบาคล่องทีมันกดตรงนี้ยิ่งเดินนานแต่ยิ่งกดหนักแลยวหลังก็ไม่งอเดิน ย, ยังกลมอย่างนี้นะที่ทางหลังงอแล้วเดินตรงกลมเนี่ยจำไว้ก่อนจำไว้โค้นตั้งคลานหกเดือนรับไม่ได้อย่าให้เดินตรงกลมอย่าให้ปฏิบัติกรมาามฐานที่มีเป็นตุยานท้องหกเดือน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 เขาอยอมรับแล้วใช่ไหมเข้าใจไหมนคนเครียดมาอย่ารับไปเยอะดีไม่ดีลําเยลยนาข้าวสอนวิทยากรสี่ อ, อจสีธัญญามหาวิายทยาสีธัญญายังไม่ครบสามปีรับไม่ได้มีไหมที่ศูนย์มีวิทยากรที่อยู่มหาวิทยาสําเร็จมหาวิายทยาสินธัญญามีไหมมีไหมมีไหม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 ทูพเจ้าสอนคนที่จะบวชเนี่ยต้องมีกรรมฐานนี่ตะจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานห้ามีมาตั้งแต่กําเนิดเกิดมาจะท่องมารดาเลยเกศาโลมานะคะท่นตาตะโตตะโตทัตนตานะคะอุมาเกศาหลวงพ่อในป่านเนี่ยบอกคุณเรียนมาเปล่าคุณได้กรรมฐานเนาะพอถ้าเกศาได้เกศาคือผมนะขาคือเล็บทันตาความตาโตนังของทั้งห้าเนี่ย เรียกว่าต่จ่าบรรยากาศกรรมฐานวิธีปฏิบัติโดยศีลดยศึกษาโดยการเข้ามันเอามาพิจารณาเป็นอย่างไงท่านบอกไม่ใช่เป็นวิชาการเป็นวิชาการคุณรู้ไหมเนี่ยพุทธเจ้าจะให้โฮมพ่านต้องเรียนกรรมฐานเรียกว่าตำราวคนคิดคิดให้เป็นคนเป็นมนุษย์นี่นลวงอขนแก่นบอกอย่างนี้เอาไปหน่อยไม่ไานถามว่ากรรมฐานคืออะไร้วตอบว่าไง ตอบะตะจะปันจักะกรรมาฐานกรร ม, มาฐานมีห้าเกษาโลมานะขาทันตาตะโตตะโตทันตาหน้าขาโลมาเกษาไม่น่กาก็เมื่อเกิดมาจากทองของมาดาเล้ยไม่ใช่เพิ่งมามีเดียวนี้มีอ่งางแต่ทองมารดาแล้วดังนั้นพุทธเจ้าบอกว่าเวลาจะห่มผ้ากาสาวพักต้องเอากำลาคนไปคิดให้เป็นมนุษย์ก่อนถ้าไม่เป็นมนุษย์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 ซ้ายยาหนอหยดขวายาหนอนี่มั เ, เทเป็นไข้ปวดหัวจังแต่ก็ต้องทนเป็นข้เมันแตงมหวานเนี่ยซ้ายย่าหนอหยดขวา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 หุดหนอหุดหนอหุดหนอหุดหนอให้แล้วเหยียดขยุดหนอสามครั้งจุดหนอสามครั้งล้ยืนนยืนหนอยืนหนอยืนหนอยืนหนอยืนหนอ้าครั้งล <ul>! ื่มตาดูแขวาอย่างหนอซายย่างหนอ ขณะที่เดินจงกรมเกิดมีเวทนาหยุ ด, ดเกิดมีเวทนาให้หยุด ท, ทันทีหยุดท่าไหนก็ด่ทาง น, นี้ก็ด่หยุดหนอ่อหยุดหน่อหยุดหน อ, หหนอถ้าเกิดเวทนาขึ้นมาปวดคอเหลือเกินอย่าเดินหมายเง้าขาดสติสันสติก็ไม่จะไม่ติดต่อหยุดเดินทันที นี่เรากำลังก้าวอย่าหยุดอย่างนี้ปวดนอเมือม่อยนอหรือปวดหนอกระดับเมื่อยนอเมื่อยหนอเมื่อยนอพอค่อนชั่วแล้วลืม เ, เวลากําหนดปวดหนอหรือหลับตาเนะนี่ยกําหนดเวทนาหลับตาเนะอย่าไม่ใช่ลืมตาเนะี่เดี๋ยวจะผ่าไปลืมตาปวดนอปวดนอไปวนโอนโนดูพัหลบหลับตามโนภาพดูชื่อเวทนาน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 ว่าเราปวดเมื่อยตรงนี้มากมีทางแก้อยู่อันเดียวให้ยืดคอกําหนดแล้วก็เดินจงกรมเพ่งไปตรงโน้นสักวานแล้วกลับมาดูตามเดิมให้เพ่งไประยะหนึ่งวันได้แล้วก็กลับมากําหนดตามเดิมเพราะฉะนั้นมันแก้ได้ไม่ใช่จะเต็มเครียดจนทุกอย่างต้องเข้าใจจริงนะ ชิดท้ายชิด <rating> ท้ายขวาจ้างชิดเนยชิดกำหนดหยุดก่อนจุดหุดน้อยอยู่น้อยอยู่นอยเจ็ดสามหุ้นแล้วกำหนดกลับหนอกลับไปกลับหนอกลับทีจังหวะ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 หยุดหนอหยุดหนอเสร็จแล้วก็ยืนหน่อยห้าครั้งแต่ะละเอียดเข้าไปมากจะได้ผมทันทีเอาละทา น, นี้พอแล้วเอาพอพอเยินได้มันมีวันนี้เย็นมากแล้วหายปวดเลยหายปวดปวดหนา<ว>หายเน่มันนั่ง น, นานหายแ น, ยยนย่แล้วการฉอบปารมเหมือนกันต้องเหมือนกัน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 เคยเคลนตั้งอยู่ดับไปหายปวดเลยแล้วก็งอได้ไอ้สติตัวนี้มันก็วงโงจรก็บอกว่ามาตอนอยี่สิบสี่ปีไปฟ้างขาหมูแล้วก็ขาหมูก็เนา่าหนอนจริงแล้วก็จับฆ่าขายไปตัวเองจะเป็นฝุ๋นได้บัดนี้หายหมดเลยชัดดากรรมฐานไม่ใช่แก่กรรมกรรมฐานมาให้รู้ว่ากฎแห่งกรรมจะได้ใช้กรรม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 นั่งหนอยย่อลงไปนะย่อลงไปทำไง น, นั่งหนอยนั่งหนอยนั่งหนอยต้องยอ่อลงไปเห็นควายไหมมันนั่งยังไงเห็นไหมมอาอะไรลงมอาอย่างนั้นเนื้มันจะอาตูดลง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 ยากรก็ดูสื้อให้อยให้ร้อยให้ร้อยห้ร้อยแล้วปาเพื่อบางยายโยขาวปรจรเพื่อเอาไปสอนโขยขีผู้บำเพ็ญเพียรเข้าใจไหมนี่ไม่ปวดได้เมืม่อยเลยท่านวิละลองทาดูเอเอาข้าวนี้ยถูกเนี้วเดี๋ยวขาหาักี๋ยวมันจะหายเอง ไม่ใช่อย่างนี้ก่อนนี่อย่างนี้นี่อย่างนี้นี่อย่างนี้เลยแหมเนี่ยอย่าดูมาทั้งนี้นะมาเดี๋ยวนุ่เก่งนายนี่ดึงนี่จับจับขึ้นมาจับดึงนี่ยกยกสองมือนี่หนะ ทำได้ไหมเนี่ยฮะได้ได้ลองทำเ ด, เ, เดี๋ยวนี้สิทำให้ได้นะวค่นเอินทำไมเนี่ยหายปวดแน่ดีเดยอะตรงนี้หายเยเนี่ยแล้วประจำเดือนจะโตติขึ้น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 ต้องหัดทำหัดทำไม่ได้นี่ครับปวดตรงสะโพกนี่นะจะหายเลยนี่ไอ้ตรงที่ตะกพักนี่นะจะหายเลยแล้วก็บางคนเนี่ยไอ้ตะกรั น, ะร เ, นเนี่ยนะมันต่อกะดูอีกกะเบเนตเนี่ยถ้าเราขัดตมาเทศไปบ่อยแยลจะไปทำตรงนี้จะหายไปเลยตะกรันจะหลุด ท, ทันทีตไัไปหาไปหาเครับในใจดำเอาแล้วขัดสมาธิสองชั้น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 ยงนีขึ้นมเท้างนี้เองชัดเจนแล้วก็ให้ใจย า, ยาวๆตั้งตรงๆมาคนทำไม่เหมือนกันและไม่ได้ซะด้วยซึ่งทำไม่ได้ด้ว ย, ยจะไปสอนเขายังไงต้องอดทนด้วยตายให้มันตายใช่หใช่หลักธรรมข้อดีสิฝืนใจให้ใจยาว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 ทำปัญญ า, าจะเห็นลึกเลยทองหนอหยุดหนอนาข้าวเลยจะรู้เลยไอจิตกาหนดทองก็ไอจิตกำหดนดหยุอันเดียวกันไหและจิตดวงเดียวกันไหมมันจะบอกเลยชัดเส้นขวายานหน อ, อหนอยุดเท่นอย่าไปเดินเร็วๆซ้ยายยานหนอไป ถ้าวะถ้าตีมันจะบอกทันทีขวาย่างหนอจิตที่กำหนดเนี่ยมันจะดับเราจะเห็นได้ชัดช้ายจิต ด, ดวงใหม่ละไม่ใช่ดวงเดิมถ้าลราทำแม่มันจะสังเกตมันจะชัดถ้าทำไม่ไม่สังเกตสมาธิใหม่จะไม่เห็นเลยขวาย่างหนอ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 พวกท่านทั้งหลายทำได้จะรู้ทันทีที่เรารับอารมณ์ดีเสียงเพราะรวยเสือดีกลับไปรับอารมณ์เสียถือเขาด่าว่าเราสขาดเสือดีเเสี ย, ย, ยมันดา่าใครมันดา่ดาใครด่าเราตัวเรามีอยู่ใ้่ไหมระยึด ม, มาทาไมระยึด ม, มาทำไมถ้าเราเยึดถือก็มีตัวเรา ถทำมาเยอะแยะก็ไม่มีตัวเราตรง น, นี้จะเรื่คงสำคัญมากอย่ายอะแแล้วพอเนี้ยเสียงหนอเสียงเขาด่าอย่าอีกจุดหนึ่งเสียงหนอเพราะมากเขาเล่นเพลงอะไรไปเอาลมไปอย่างไงถ้าเราไม่ไเข้าสติปัญญาดีมันจะดับทั้งคู่จะไม่มีรับอารมณ์มทั้งดีทั้งเสียไว้ในใจเข้าใจมั้ยเนี่ยจะไม่อภัยเทพ